หิริกะโมลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีหิริเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริครบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะ คบค <e ้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริความละอายต่อบาปคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้เกียดคราน คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียรติค้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา ละถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริ สัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆอหิริกะมูลกะสูตรที่9จบ อนโนตปะมูลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีโอตปะเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตปะ สัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตะปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตะปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาละถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะ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 ครบค้าสมา no คมกับ hehe, สัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามครบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ท <Punch> ั้งหลายผู้มีโอตปะครบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงครบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆอนโนต ป, ปะมูลกะสูตรที่ส0บจบ 11. อัปัสุตะมูลกะสูตรว่าด้วย สัตผู้มีสุตะน้อยเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยทาตอย่างเดียวกันคือสัตทั้งหลายผู้มีสุตะน้อ ย, ย ค, คบค้าสมาคมกับสัตทั้งหลายผู้มีสุตะน้อยสัตทั้งหลายผู้เกียดครานคบค้าสมาคมกับสัตทั้งหลายผู้เกียดคราน สัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมากสัตว์ทั้งหลายผู้ปราบรบความเพียรคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและถึง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 คบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆ อ, นอปสัสส ต, ตมุลกะสูตรที่สิบเอ็ดจบ 12. กุศีตะมูลกสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้เขียรคร้านเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยาธาตอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้เขียรคร้านคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เขียรคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืม คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารบความเพียนคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารบความเพียนสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา ครบรสสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆหูศีตะมูลกะสูตรที่12จบส่วนที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในทุกแห่งพึงทำเหมือนอย่างข้างต้นทุติยาวัคที่สองจบ สูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัตตะทาตุสูตร 2. สนิทานสูตร 3. คินจา ก, กาวะสัทธาสูตร 4. หินนาธิมุติกสูตร 5. จังกรมะมสูตร 6. สคาถาสูตร 7. อัสสัทธะสังสันธนะสูตร 8. อัสสัทธะมูลกะสูตร เอหิริกะมูลกะสูตร 10. อโนตตะปะมูลกะสูตร 11. อปัสสุตะมูลกะสูตร 12. กุศีตะมูลกะสูตร 3. กรรมปัฏฐวคกหมวดว่าด้วยกรรมบทหนึ่งอสมาหิตะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีจิตไม่มั่นคงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรทัทธา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอตตะปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตะปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตไม่มั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซาม สัตทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตมั่นคงคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตมั่นคงสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาอาสมาหิตะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุตศีลสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีล พระผู้มีพระภาคประทับอยู some son, some son ่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหีริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหีริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตะปะ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตะปะสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีลสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริ ส binary, lings, ients, ัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตาปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอตตาปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทุศีและสูตรที่สองจบ ปัญจะสิกขาปะทะสูตรว่าด้วยสัตวผู้มีศีลห้าเขพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเขครุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรืยกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกาม สัตว์ท <Kristen> ั้งหลายผู้พูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในการมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในการมสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทปัญจสิกขาปทะสูตรที่สจบ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 คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกรมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกรมสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบ สัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์สัตว์ท hmm. ั้งหลายผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกางสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จสัตว์ทั Joker ้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียดคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียด สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดคำหยาบคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อสัตตกรมะปะทะสูตรที่สจบ ทศกัมมปัตหสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบดสิบพระผู้มีประภาคประทับอยู่เคโครุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีประภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยท่าอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้ลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติผิดในกาม สัตว er. mm ์ทั้งหลายผู้พูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้พูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้พูดคำหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้มีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นมากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอภิชามากสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตพยาบาท คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตพยาบาทสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฐิสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดเนือามสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จ สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดคําหยาบสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอภิชามากคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอภิชามากสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีจิตพยาบาท คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีจิตพยาบาทสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิทัศกรร ม, มะป ะ, ะสตสที่5จบโฮ ทั้งขีก้กสูรว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยท่าดอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาทิฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสังกับปะ สัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉากรรมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสติสัตว์ทั้งหลายผู้ม <spaghetti> ีมิจฉาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัตทั้งหลายผู้มีสัมมา well? สังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมากรรมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวายมะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสติ welcome. สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิอาถังคิกาสูตรที่หจบ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 สัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉากรรมมันตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาอาชีวะสะัตว์ huh ทั้งหลายผู้มีมิจฉาวายามะสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสติสัตว์ท <action morally> <Core boundaries> ั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาญานคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิจฉาญาณ สัตว์ทั้งหลายผู้มีมิชาวิมุตติคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีมิชาวิมุตติสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสังกัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมากมัมตะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวายามะ สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสติสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตติคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตติท่าสังคสูตรที่เจ็จบส่วนที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในที่ทุกแห่ง พึงทำเหมือนอย่างข้างต้น 11. อัปอาปสุตตะมูลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีสุตตะน้อยเป็นมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคครุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้เขียดครานคบค้สสาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เขียดครานสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตะมาก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 คบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาและอื่นๆอนปัสุตมูลกะสูตรที่11อจบ 12. กุศิตมูลกะสูตรว่าด้วย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 ภูสีตะมูลกะสูตรที่สิบสองจบส่วนที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในทุกแห่งพึงทาเหมือนอย่างข้างต้นทุติยาวาัคที่สองจบ พระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. สัตตะทาตุสูตร 2. สนิทานสูตร 3. คินจา ก, กาวัสถะสูตร 4. หินนาธิมุติกาสูตร 5. จังกรมะมสูตร 6. กสคาถาสูตร 7. อัสสัตถะสังสันธนะสูตร 8. อัสสัตถะมูลกะสูตร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 สัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้พูดเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์สัตว์ทั้งหลายผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกางสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดเท็จสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียด